บุ๊กทูสามสิบเก้ามุฟเฟตอมิดีรถเสียกอร์ชดิโปโวตา้าปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Next p e t r ง l bunk yakadavundi ย, ยางรถของดิฉันแบนคะ่ะ นาไ้ารถังเชื่อใจยินดีเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะมีรูท้าในมาชกันเลยนะดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะนากุกุนิลิตรละดีซิลกาวเลยดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะเปตรไลไฮโปรินดีคุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะ มีวัตถาปิโตรล์แกกนเจลลี่แคนกซแคนวุ่นดา๊าดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะเน้นโฟนแยกกัน น, กนุนดิเจสกวบั ช, ชุูดิฉันต้องการรถลากคะ่ะนา่ากูโตัว잉สหายง่าวาลีดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถคะ่ะ นี่นูกรเรื่องที่ควรสเกตุกันตันา้น น, นูเกิดอุบัติเหตุบอกะประมาดัมสัมัวินชินดีตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะดับเบิลโลเทลศัพท์แยกกระดุมดีคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะมีวดดโมบายโฟนกานี่วุ่นไยะ เราต้องการความช่วยเหลือค่ะมากกูสหายังกาวาลีตามหมอให้ทีค่ะด็อกเตอร์นี่เปลวันดีเรียกตำรวจให้ทีค่ะพลิสุนีเลวันดีขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะมีเปเปอร์ลูอบวันดิ ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะมีไลเซนซิ่บันดีขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะมีเรจิสเตชนันชูปินเชนดี